เทสารล่มาผ่านะทันต์ต่โจะอะไรเอ็นกระดูกอะไรต่างๆทเรว่าไปมันคือธาตุดินต่วประกอบขวัญห้าจอย่างไหนที่เป็นของเหลวเป็นน้ำดี น, น้าหนองเลือดลวอะไรต่างๆเป็นธาตุน้ามันมีอยู่ในร่างกายนี่จนไหนที่เป็นความร้อน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 ลมในช่องลมในใสายอันนี้เป็นลมมั้นมีอย่างนี้อะไรที่มันแจงออกที่มันไม่สมดุนกันก็ทําให้เพี้ยนไปเก็บไข้ได้ป่วยได้ผิดประเภทใช้ท่าจีท่าหน้าเป็นผิดประเภทใดเอาเวทนาเป็นทุกข์เอเวทนาเป็นสุขใช่ผิดได้ผิดประเภท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 ไม่จบสักทีด็เป็นสุขด้วยไ ป, ไปทุกข์เป็นทุกข์ด้วยไปโกรธเป็นโกรธด้วยไปห ล, ล, ลงเป็นหลงด้วยไปมันไม่จบรู้ซื่อๆมันก็จบไม่ว่าตรงปฏิบัติตรงมันหลงรู้ตรงที่สุดมันทุกข์รู้ตรงที่สุดอะไรที่มันเกิดขึ้นในอาการของกายของใจรู้ซื่อๆเข้าไปเชื่อได้ทั้งหมด เป็นอันเดียวทั้งหมดไม่ใช่คนลาอย่างของจริงต้องเป็นอย่างเดียวกันของไม่จริงต้องเป็นหลายอย่างอย่างโง่หลงงมงายให้เชื่อกันกาะทาของเราเชื่งไหนที่เราศึกษาได้ปฏิบัติได้ทำให้ด้วยตนเองนั่นคือสัจธรรมใครสอนให้เราได้ทำเองนั่นเระคือผู้สอนความจริง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 แต่เราต้องช่วยเราเองให้รู้เอาไว้นั่นคือโลกเราลูบตั้งแต่ศึกษาธรรมะรูบโลกนามโลกลูบทุกน้ำทุกมันเป็นโลกอันลูกก้อนนี่มันเป็นโลกของทุกเป็นเป็นก้อนทุกถูกความทุกอย่างเอาแล้วถูกความทุกเป็นเบอร์หน้าแล้วอันลูบเนี่ยไม่มีใคร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 ในชีวิตเหล่านี้ให้ลูกแจ้งกาใครสอนให้เราลืกลับไม่ใช่สัจธรรมีิปัจนาเป็นของลูกแจ้งพ้นภาวะเดิมสัมผัสได้มันหลงเห็นมันหลงแจ้งแล้วไม่ใช่หลงเป็นหลงมันมืดถ้าทุกข์เป็นทุกข์มันยังมืดไม่แจ้งถ้าทุกข์เป็นลู่ชื้ๆเข้าไปมันแจ้งแล้ว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 ลมลูกคูครานเหมือนหมดินทิ่งไหนที่เกิดจากนามลูกเป็นหมดินสวยรู้ขนาดไหนมีความสุขขนาดไหนที่มันเกิดจากอาจารยะตาเห็นลูกมีความสุขหูได้ยินเสียงมีความสุขจะมูกได้ยินเล่นในลดกายสมปัจจิใจมีอารมณ์ดีเป็นสุขสุขแบบหม้อดิน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 นกเอาหมาบา้านเอาหมาป่าเอาจอยขี้มาผูกเสียกันดูมันจะไปทางไหนไอ้เพี่อนจอยเคี้ยจะไปไหนฮะจอยเขี้จะไปทางไหนนกจะไปไหนมุกบินขึ้นอากาศลิงจะไปไหนลิงอ่ะลูกสุนัขอะมันจะปิ้งไปไหน วิ่งเข้าบ้านสุนักป่าวิ่งออกป่าเห็นไหมแล้วอะไรที่มันเป็นใหญ่ล่ะจริงแล้วนั่นหรือคิตเราให้อา่าจตนามันเป็นใหญ่เลยต้องมีอินทรีย์สติอินทรีย์เป็นใหญ่เหมือนหลักอะไรโล่เนยหลักแล้วนะเห็นโล่โล่โอ้ยได้ยินเสียงโล่จมูกได้กลิ่นโล่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 มันอยู่กับท่านทั้งหลายนั่นแล้วให้มีสติอินทรีย์ยังไงสติอินทรีย์จะเจ๊ก้ายัางไงประกอบให้มันอยู่ น, นานๆสิ่งไหนที่อยู่นา น, นก็เจ๊ก้าเมื่อเหมือมนเจ๊ก้ามันก็มีมมมมมผลขึ้นมะม่วงปลูก น, นานๆยอดเจ๊ก้ามันก็ออกดอกออกลูกลยอดมะม่วง อ่อนอยู่มันไม่สามารถที่ออกโลกได้อินทรีย์เมื่อผลอ่อนมันไม่มีมากไมีผลไม่มีเกิดลูกไม่มีประโยชน์ต้องอยู่นานๆหนึ่งวันถึงเจ็ดวันแก่ขึ้นแล้วหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนแก่ขึ้นแล้วสเตอินชีแล้วหนึ่งปีถึงเจ็ดปีแก่ที่สุดแล้วดอกผลเกิดขึ้นนา้ี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 มาสอนดูกัทั้งพระธรรมคำสอนตอนเนี้ยลองสวดดูที่อิทธาตถาคะโตโลเยอุปโนเสือดไหมได้สารทะ ย, ยัยั้ยทุกข์วันตอนเช้าอิทธาตถาคะโตโลเยอุปโนพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้สัมมาจิเตชิตโตนิพานที่ว่ปณิพานานิโต standalone. อะไรจำไม่ได้ ทา้งพระธรรมคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อควาออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานในวันเพ็ญสนฆถึงวัเนเพ็ญแปดมีคําสอนนี้ที่ป่าอิสิปตนะมลึกขายาวันมีผู้ฟังห้าคนคือปัญจวิคีทั้งห้าเป็นนักบวชเป็นฤาษีปัญญคีห้าคนก็มาใช่ไครที่ไหน มาจากไหนคําว่าปัญจวิคีเนี่ยโกนทยาพามเป็นพราม์หนุ่มไปทํานายลักษณะของสิท ธ, ธะตั้งแต่ประสูตรได้เกตวันพราม์หนุ่มนอกจากนั่นเป็นพรามณ์แกไปทํานายกี่คนละ่ะพามไปทํานายลักษณะกี่คนละ่ะ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 คนทัญญนยาทันยาทายอย่างไรทายสิรธิธรนะให้ขี้ทายอย่างไงทำนายอย่างไงคนทัญญาพวกเราชาวพุทธควรที่จะรู้เรื่องอย่างนี้นี่หลาตั้งเองนะ้วทำนายว่าศิริธรรไม่มีทางคองกรวาแน่นอนต้องออกบวชตัดรูปเป็นพูะเจ้าคนทัน ญ, ญาทำนายพามน่ม เป็นลักษณะเดียวเด็ดขาดส่วนพระม้าแก่เจริญคนนั้นทํานายสองลักษณะถ้าออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าศาสตราเอกในโลกถ้าเป็นครรวาผู้คงหลือจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทำนายแบบเดียวกันเจรคนเป็นสองนายยาแต่ปณิยยาผ้านายเป็นลักษณะเดียวออกบวชแน่นอน ก็รจนสิรทธาอาอยุ16หกปีตั้งแต่เจ็ดวันรออยู่จำมาลู้จำไงลู้จำแต่ก็มีหลักฐานมันมาจากนี่ปัญจวิคี น, ะน่ะแล้วก็รลโกนทาย า, าพามรอจิตปีแปดปีสิบปี16กปีเอ้าภาษาสาวลูกเกิดขึ้น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 โอรสคนหนังชื่อว่าลาหุนเอาแล้ววันนะี า, ามทั้งเจต น, นันแน่นอนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่มีทางไปบวดปานนี้แล้วพระเจ้าโตนตน้อระวังที่สุดสิบหกปียี่สิบปียี่สิบเก้าปีลาหุนประสูตรแล้วว่านะี้เสร็จเลย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 เนียจะลูกชายของพราหมณ์เชวนเอาลูกของพราหมณ่นั่นสังเกตคนอนะ่ะได้เซ่คนนอกจากนั้นเขาไม่สมัครไปไหมไปจะพาตามสีตาผ่ะออกบวชแล้วต้องเป็นพระพรุทธเจ้าได้โพดพวกเราไปตามไปเป็นฤาษีออกือตามไปอุปทานมะาอยู่ต้องหกปีรอคอยจะให้ตัดสะลุ เมอเห็นตอนที่ฉันเช่านังสุจดาเห็นว่าเจตธาตหรือสีธิตธาตออกปวดไม่มีทางได้ผลชวนปัญจวบชีสี่คนหนีจา้าโดยทีเดียวเห็นว่าหมดท่าแล้ ว, ลวเจ้าก็เจตาก็ปลอ่อยนั่นะได้โอกาสแล้วได้โอกาสจะไง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 อาจารย์ไม่จงังหวกเราอยู่ลำบากคนเดียวพอจนเข้านุสชะลาแล้วเอาเอแล้วปะเนี่ยเราอยู่คนเดียวที่ไหนละ่ะจากริมแม่ในรันชลาฝั่งทิศตะวนอกมองเห็นเดินเนินป่าพุทธคยาต้มรื่นเดินข้ามแม่น้ำในรันชลาเอาง่ะอยู่ที่นี่มันไม่ดีเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะ บ้านสุชาดาเนี่ยเป็นทุ่งข้าวคุ่งน้ําอู่ข้าวอูน่น้ําเข า, าเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เลยวัวเลยควายลงน้ําในรันชาลาถ้าน้ำเขาไม่ไดีเปลี่ยนทิศทางข้ามในรันชาลาไปฝั่งที่ตรงตกเป็นเนินป่าแล้วจะเปรียบก็เหมือนกับข้ามลําำปะเหลืองมาอยู่นเนิน <laughs> สุเโตมองจากบ้านกองงง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 เราจะนั่งขั้าสุดท้ายแล้วอะไรอะไรก็ทำมาหมดแล้วหกปีผ่านมามันเหลืออยู่เนี่ยเรื่องจิตเรื่องใจนี่แหละเรามารกายเอาหมดแล้วเราจะเล่นงานตัวนี้ลงตั้งสัจจะเราจะไม่ลุกถ้าไม่ได้ จ, ะจะัตเจลูอนุกรสสมโมทิยานจะไม่หนีจากที่ตายเป็นตาย แม่เลือดเงื่อกระดูกผูพังไปก็ชากวันมีนมนุษ์คนไหนคิดอย่างนี้เข้มแข็งขนาดนีนน้เราจะไปไหนลองดูก่อนปฏิบัติลองดูก่อนหนึ่งวันแล้วไมา่รู้อะไรสองวันแล้วไมา่รู้อะไรประเมินเสแล้วหน่มจะไม่คิดอย่างนี้ตายเป็นได้จะรู้เนี่ยนัง่งไปก็คิดถึงนะถ้าเจ ะ, ะมานะมานเกิดขึ้นเชแล้วกิเลสมา คนเคยมีลูกมีเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียคิเลตมาน์นี่ไหมคิดถึงคอาคั่งบอนไม่เพี้ยนคิดถึงการเก่าที่เคยหัวเราะเคยเจี่ยวพอราอาสีเคยโยกเคยล้อคิดถึงสนมกำนันไหนย่อมคิดไปนั่งอยู่ต้นถีบังโพลำบางอัเดียวย่อมว่าเวใช่ไหมย่อมว่่เว จะงบเกินไปสะหนุนกำนั้นไหนเคยดีฉีที่เป่าให้เสียไปงานจนหลับมาอยู่คนเดียวนี้มันยอมสิดปุ๋เต่งไปกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่หมานั่งคิดถึงเป็นบ่าแล้วับมารู้สึกตัวอ่านคิดไปรู้สึกตัวใส่เลกก็จะอยู่นี่มืออาจะอยู่นี่ร้อนคิดไปรู้สึกตัว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 ขันธ์ธมันเก็บให้ได้ป่วยขันเนื้อขันตัวฝนตกก็เปียกแดดโดนก็ร้อนตัวตายขึ้นมาเราเนี่ยทำไงาะเป็นไข้หรือเป็นไข้มาเรียหรือเปล่าตัวร้อนหรือเปล่าเปล่ากลัวเหมือนกันอะคิดไปเฮ๊ะแล้วรรมานั่งอยู่เนี่ยขันธรรน์นธรรมันขันธ์ธรรมันคือเวทนา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 ไม่เห็นมีเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเป็นศักดิ์สิทธิ์ขี้เสษแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ว่าเราโมานั่งอยู่ไม่เคยมีเป็นเจ้าของทนเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยขี้เศแผ่นดินตายก็ว่าเออตอนนี้บุยผมเป็นนา้าไหลออกพวกมารทั้งหลายพ่ายแพ้ไปนี่คือหมายความนะ